อาจารย์ครับนักวิชาการครับผมอเจาริญบอลคุณหมอท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้เสียงเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือ เ, เหมือนเดิมโอผมว่าดีขึ้นดีขึ้นพอสมควรเลยครับอาจารย์ผมว่าเสียงใสเสียงนุ่มชัดขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับอืมตอนนี้ก็เปิดเสียงให ม, เม่เต็มเต็มเต็มร้อยเลยอ๋อ ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองใครที่ต้องฟังอยู่ลองวิจารณ์หน่อยสิครับว่าวันนี้เสียงดีขึ้นกว่าทุกครั้งไหมครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้ท่านอาจารย์ไปบินทบาทคนเยอะไหมครับผมก็ได้ประมาณสี่ร้อยสี่สิบคนอรอยวันนี้ไม่ได้เป็นวันพระก็เลยน้อยหน่อยถ้าเป็นวันพระคราวที่แล้วที่เป็นวันพระก็หกร้อยกว่าครับผม วันพระจะตรงกับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เลยแยกเป็นสองสองพวกพวกวันพระพวกหนึ่งพวกที่วันอาทิตย์พวกหนึ่ ง, งไม่ได้มารวมกันครับพระอาจารย์มีคนบอกว่าเสียงชัดกว่าทุกครั้งครับอ่าเออหน้าจะชัดกว่านะเพราะว่าได้ไมโครโฟนดีมาขอบผม ได้เป็นไม้แผละเผยแพร่ธรรมเลยครับมีคนแย่กันทำบุญอย่างเ <c oughs> ดียวตามผมพระอาจารย์ครับวันนี้ขอโอกาสพระาอาจารย์อผมได้ยินอยู่พระอาจารย์ก็พูดอยู่เรื่อยครูบาอาจารย์ก็พูดอยู่เรื่อยบอกว่าเ อ, อจะได้ปัญญาจะได้ทำก็ต้องผ่านทุกมาก่อนทุกไม่มีปัญญาไม่เกิดอย่างเงี้ยครับราราอาจารย์วันนี้ก็เลยขออ่าพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายความข้อนี้ด้วยครับและ อ, อย่างหนึ่งก็เรียนถามพระอาจารย์ไปเลยว่าถ้า ไม่เจอทุกเนี่ยพอจะได้ปัญญาเนี่ยพอเป็นไปได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับพอบนได้ครับ ม, มันเป็นปัญญาแบบสุตตมายาปัญญามันยังเป็นปัญญาที่ยังไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ได้เป็นเพีงยงทฤษฎีเออช่นเราได้ยินได้ฟังว่าทุกเกิดจากสาเห็นนั้นสาเหตุ น, นี้ถ้าต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องกาจัดเหตุ น, นั้นแต่เรายังไม่ ไม่ได้เจอความทุกข์จริงๆแล้วแล้วไม่รู้ว่าเห็นนั้นจริงๆเป็นอะไรก็ยังยังไ ม, ไม่ไม่ได้กําจัดมันนะต้องเจอความทุกข์จริงๆก่อนเช่เวลาคุณหมอปวดเท้เนี่ยเจอความทุกข์จริงเลยใช่ไหมก็ต้องหาวิธีดับทุกข์ใช่ไหมหาวิธีแก้อาการปวดท้องก็ต้องหายาการการหายานี่ก็เป็นปัญญาแล้ว เป็นการความคิดที่จะนําไปสู่การกําจัดความทุกข์อันนี้พูดถึงความทุกข์ทางร่างกายเช่นเวลาเาจ็บท้องแต่เรายังมีความทุกข์อีกอันหนึง่งที่เกิดพร้อมๆกับความทุกข์ทางร่างกายก็คือความทุกข์ทางใจเวลาเราปวดเท้านี่บางทีใจเราก็ไปวิตกกังวลว่าเป็นอะไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจ ซึ่งถึงแม้จะกินยาแก้ปวดท้องไปแล้วความปวดท้องร้ายไปบางทีก็ยังไม่สบายใจยังอาจจะต้องไปหาหมอให้ตรวจซ้ํำวิธีว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ า, อ, รร อ, ลาอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจซึ่งความทุกข์ทางใจนี้ก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึง่งเพราะเหตุที่ทําให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนี้มันมันไม่ได้เป็นเหตุเดียวกับที่ทําให้ทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้น ทุกทางร่างกายเกิดจากการแปรปรวนของร่างกายร่างกายไม่ปกติมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ทุกทางใจนี่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัญหาความอยากซึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรุปก็ไม่มีใครรู้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองตอนก่อนที่จะตัดสรุปพระองค์ก็ท่ง มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็ส่งไปศึกษาวิธีต่างๆก็ได้พบวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวคือการเข้าไปในสมาธิพอจิตเข้าไปในสมาธิจิตก็หยุดหยุดคิดหยุดอยากพอหยุดความอยากความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกพอข อ, อกอะไรต้องส่งในอากาศปัญหาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วยังแก้ไม่ได้ก็ต้องค้นคว้าหาหาหาวิธีแก่วิธีแก้นี่ก็เรียกว่าปัญญานะการหาวิธีแก้ ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ไม่ต้องมาค้นหาวิธีแก้ใช่ไหมถ้าเราเกิดมาแล้วก็มีแต่มีแต่สุขอย่างเดียวไม่ทุกข์กับไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายพอโตมาเป็นหนุ่มแล้วก็หยุดที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นหนุ่มไปตลอดนี่เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายใช่ไหมเราก็เมื่อไม่มีทุกข์เราก็ไม่ต้องไปหาวิธีมาแก้ความทุกข์ของร่างกาย แต่พอดีร hmm. so like, <te pe ed> <t> ่างกายมันมีความทุกข์เพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วใจเราไปทุกข์กับมันใจเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่เราไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาส่งวิเคราะห์ตรงเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายะ ถ้าอยากแก่อยากเก็บอยากตายก็จะไม่ทุกเพราะมันพราะจะไม่ผิดหวังเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็จะไม่ทุกข์เราจะดีใจเวลาอยากจะได้เงินเดือนขึ้นพอได้เงินเดือนขึ้นเราก็ดีใจกันแต่เวลาเวลาเราถูกตัดเงินเดือนนี่เราจะทุกข์กันเพราะเราไม่อยากให้เขาตัดเงินเดือนอันนี้นะ่ะคือปัญญาการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล ถึงได้ที่ทำให้เกิดความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและจะต้องแก้อย่างไรวิธีแก้ก็คือเนี่ยต้องใช้กําลังของสติของสมาธิหยุดมันเพราะถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าเอาทุกขเราเกิดจากัความอยากแต่ถ้าเรายังไม่มีสติที่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้มันก็ยังทุกข์อยู่ทั้ง ท, ที่ตอนนี้เรารู้กันแล้วใช่ว่า ความความแก่ความเจ็บความตายนี้เราไม่ชอบกันมันทำให้เราทุกข์กันเราทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขอไปแต่เราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เรายอมรับความจริงไม่ได้ยอมแก่ไม่ได้ยอมเจ็บไม่ได้ยอมตายไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิจนสามารถหยุดหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ เราก็จะมีกำลังที่เวลาเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาว่าสาเหตุของความทุกข์ของใจเหล่านี้ก็จากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็หยุดความไม่อยากนี้เสียพอเราหยุดความไม่อยากนี้ได้คือปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ป, ปล่อยให้ร่างกายตายไปใจก็จะไม่ทุกอันนี้แหละคือปัญญาถ้าไม่มี ถ้าไม่มีปัญหารเราเราก็ไม่ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหากันเนี่ยแต่พอมีปัญหามีมความทุกข์กันเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากันอท่านถึงบอกว่าถ้าไม่มีทุกข์ปัญญาก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไปค้นหาวิธีมาดับความทุกข์กันแต่เมื่อมีความทุกข์แล้วก็ต้องค้นหากันซึ่งก็ค้นหากันทุกคนในโลกนี้ มีคนเดียวที่ได้คําตอบก็คือพระพุทธเจ้าคือคือคือความทุกข์ทางใจเนี้ยก่อนที่พระเจ้าจะส่งคนพบคำตอบยังไม่มีใครรู้คําตอบเลยซึ่งมันง่ายงายาเมืรานั่งคิดกันเดี๋ยวนี้มันก็เกิดจากความอยากไม่อยากว่าเราอยากอยู่ไปนานๆเราก็จะไม่อยากตายกันใช่ไหมพอมจะตายเราก็ทุกข์กัน แต่ถ the no so, so, like ้าเรามองหรเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่ยังไงมันก็ต้องตายเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราฝึกความจริงนี้ไม่ได้เราก็หยุดความความอยากไม่ตายให้ได้นี่แค่หยุดความอยากไม่ตายให้ได้เราก็ต้องมีกําลังของสมาธิของสติถ้าสติเราไม่มีกําลังหยุดความคิดหยุดความอยากมันก็หยุดไม่ได้เราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันก่อน ฝึกสติเพื่อให้ใจให้ให้ได้สติมาหยุดความคิดทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาขณะใจนิ่งสงบไม่มีความคิดความอยากก็ทํางานไม่ได้เพราะความอยากอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเราต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนเราก็จะเราถึงจะเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็อยากไม่ได้อันนี้ก็คือ ปัญญาที่พระเจ้าส่งส่งค้นพบว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากและวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ก็ต้องมีจิตที่มีมีสติมีมีกําลังที่จะสามารถหยุดความอยากได้และมีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของที่เราห้ามไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง ถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่ฝืนความจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงยอมให้ร่างกายมันแก่ยอมร่างกายให้มันเจ็บให้เราไมมยอมให้มันตายไปพอเรายอมแ่้งใจเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายนี่คือปัญญานถ้าเราไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่เข้าหาธรรมะกันเพราะธรรมะก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ที่มาใช้ที่เราจะมาใช้ดับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ แต่มันก็สรุปลงที่ความอยากของใจเราเองที่ไปอยากสิ่งอยากกับคนนั้นก็อยากกับคนนี้สัง เ, เกตคนที่เราไม่อยากด้วยเรามันทุกข์ใช่ไหมแต่คนที่เราอยากด้วยเราจะทุกข์อยากให้เขารักเราชอบเราพอเขาไม่รักเราชอบเราเราปวทุกข์แต่คนอื่นที่เราไม่ได้ไปอยากให้เขารักเราชอบเราเขาจะไม่ชอบเราเขาจะเกลียดเราแล้วก็เฉยเฉยอันนี้แหละคือปัญญา เราต้องมีทุกข์ก่อนต้องมีปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาแล้วเราถึงจะคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาถ้าเรามีแต่ความสุขเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหากันล้วต้องมีปัญญาเพราะมันไม่จาเป็นจะต้องไ ม, ไม่ไม่จาเป็นจะต้องทาอะไรเมื่อเรามีความสุขมันก็สุขไปเรื่อยๆนี่เป็นเหตุให้เทวดาบรรลุธรรมไม่ได้แล้ยากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้ยากเพราะว่า เขาอยู่กับความสุขมากกว่าความทุก ข, เเข์เขาไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายพอฟังพระอาจารย์ก็เลยเออเหมือนพระอาจารย์พูดเป็นที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือยกทุกข์มาเป็นอริสัตย์ข้อแรกเลยเพื่อที่จะปลดปล่อยใช่ไหมคมรับออยเร่องเดียวกันนี้หลยเกิดปัญหาแล้วเรามีความทุกข์แล้วเราจะทำไงก็ใช้สติปัญญาค้นหาสาเหตุที่ทําให้ทุก ด้วยค้นหาสาเหตุค้นหาวิธีดับความทุกข์ก็เป็นคนพบว่าจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องไปเหตุไ ป, ประา ง, งับาเหตุที่ทําให้มันทุกข์ก่อนเหตุที่ทําให้มันทุกข์ก็คือตัณหาความอยาก<ม>และเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ก็คือต้องมีมีจิตที่มีพลังหยุดได้มีพลังที่จะเบรกที่จะหยุดความอยากได้ ก็คือจิตที่ต้องเข้าฌานได้เข้ารูปฌานหรือรูปฌานได้จิตทวกนี้มีพลังที่จะหยุดความอยากได้หยุดความคิดได้ได้ปัญญานะครับอาจารย์กลับมาขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับเสียงดีมากเลยครับวันนี้เพราะเดี๋ยวไปไปปรับไปที่เซตติ้งของใหม่ของของของสตรีมยานด้วยเมื่อก่อนไม่เคยปรับเมอก่อนมันมันตั้งไว้ประมาณครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เราเลยไปตั้งให้มันเต็มร้อยไปเลย oh, อ๋อครับอาจารย์เสียงดังแล้วชัดเจน ม, มากเลยครับก็จะเป็นว่าเสียงเราค่อยอยู่แล้วโดยคือโดยโดย default ของเราเขาตั้งไว้ประมาณห้าสิบนะประมาณครึ่งนิ้วในเฟสติ้งมันจะมีให้เราเข้าไปเซตไมโครโฟนคอเสียงของไมโครโฟนเราต้องการจะให้มันดังค่อยอย่างไรหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไมโครโฟนเราก็เข้าไปใน setting เปลี่ยนได้ อาจารย์ครับกขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนผู้มาฟังด้วยนะครับคุณมณีนุชครับเมื่อคนในครอบครัวทําให้เราเป็นทุกข์เราควรจะจัดการอย่างไรวางใจอย่างไรครับต้อจัดการกับความอยากของเรานสิเราอยากให้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราเลยก็ทุกข์วิธีที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ แต่เราจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเขาเป็นกล้วยแต่เราอยากจะให้เขาเป็นส้มอย่างเงี้ยเห็นเ้าที่ไลก็อยากจะให้เขาเป็นส้มไม่ชอบกล้วยชอบส้มอันนี้อย่าขออภัยนะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเพื่อพูด <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวขออภัยไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ว่ายกตัวอย่างให้ชาว่าเนี่ยมันเป็นหาของเราคือเรามองไม่เราไม่มองความจริงของคนที่เราทําให้เราทึกว่าเขาเป็นอย่างนี้ นิสัยก็เป็นอย่างนี้การพูดการกระทําอะไรต่างๆก็าเขาเขาเป็นแบบเนี้แต่เราไม่ชอบเราอยากจะให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เป็นเราก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะความอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเห็นถ้าเรามีปัญญาแล้วก็มองเห็นว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้แม้แต่ตัวเขาเองเขาก็เปลี่ยนตัวเขาเองไม่ได้คนเรามีนิสัยเจริญนิสัยมาอย่างไรมันเปลี่ยนไม่ใช่เป็นของง่ายใช่มเปลี่ยนได้มันก็ยาก เราก็ต้อยอมรับความจริงอันนี้แล้วหยุดความอยากเราแล้วก็ยอ ม, มยอมรับสภาพของเขาอาวเขาเป็นกล้วยก็อยู่เขาไปอยากไปอยากก็ เ, เป็นส้มเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคุณวรรณกรครับวันนี้ได้ไปฟังธรรมะนาคุติพาลูกสาวแปดขวบไปด้วยหลายครั้งลูกสาวเขาอธิบายเกี่ยวกับธาตุสีให้คนที่บ้านได้เข้าใจคะ่ะ แล้วเขาก็ตื่นูรล้นที่จะไปฟังทำด้วยอ๋ออันนี้ร่างฟังว่าแม่สุขใจครับอืมก็ดเด็กๆกลัวเข้าใจเรื่องธาตุสีนี่ครับวันนี้ได้ดได้ตุ๊ ก, กาตาไปตัวหนึ่งแล้วเสึกมีญาติโยมก็เอาให้ตุ๊กตามาแจกเด็กเด็กเล็กๆ เ, เ, เวลามาถวายของเสร็จก็มีตุ๊กาตาฝากกลับไปบ้านหนึ่งตัวครับตอนชาป้าจายก็แจกนมเปรี้ยว <laughs> นคุณคัทลิษาครับโยมนั่งสมาธิจนถึงระดับหนึ่งจนรู้สึกถึงความเจ็บและชาโยมก็นั่งต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยร่างกายรู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่ทุกข์หรือกระวนกระวาย เลยแบบเฉยๆแบบนี้เรียกว่าข้าเมเวทนาได้หรื อ, อยังเจ้าคะหรือว่าต้องไม่รู้สึกเจ็บเลยแบบลืมความเจ็บไปเลยหรือไม่คะถึงเรียกว่าข้าเมเวทนาได้ขอบคัณพระอาจารย์ครับข้ามเวทนาได้มายถึงเราอยู่กับมันได้เราไม่ไปทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันมันจะเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าตอนตอนที่ใจเราสงบเรามีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากความอยากให้ ความเจ็บหายไปตอนนั้นเราไม่มีเราก็เลยอยู่กับความความเจ็บของร่างกายได้แตถ้าช่วงเวลาใดที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาความเจ็บนี่แสดงว่าเราเกิดความอยากนะอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะหนี้นีจากความเจ็บไปตอนนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับความเจ็บให้ได้ต่อไปเราก็ต้องใช้สติใช้คำบาลีรมพุทโธพุทโธ ก็ทำให้ใจหยุดความอยากของเราให้ได้เมื่อหยุดความอยากของใจได้แล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บต่อไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะข้ามเวทนาหลือจะอยู่กับเวทนาทุกเวทนาเพราะต่อไปเวลาเราเกิดอาการเจ็บไข้แน่นป่วยถึงแม้เราจะขยับร่างกายขยับอะไรมันก็อาการปวดอาการเจ็บเช่นไข้เนี่ยมันก็จะไม่หายมันก็จะแต่ถ้าเราฝึกวิธี วิธีหยุดกับมนันด้วยการฝึกทําใจให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยเราไปเวลาเราจะลู้ความเจ็บทางรากก่างกายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็เรียกว่าข้าไม่ทนาะได้ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ทุกข์กับความเจ็บถ้าเราไม่กลัวความเจ็บอย่าไปกลัวความเจ็บความกลัวนี้ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งคือความอยากไม่ไม่ไม่อยากเจอความเจ็บมันก็ทําให้เรากลัว แต่ตอนนี้เราไม่กลัวเราก้าหาก้าวสู่กับความเจ็บทุกทุ ก, กแบบเพราะเราซ้อมมาแล้วเราฝึกมาแล้วเรารู้วิธีที่จะรับกับความเจ็บของร่างกายแล้วก็คือทำใจให้เราเนิ่มเฉยๆนั่นเองคุณพิบครับแม่อายุ90ปีปวดตลอดเวลาจากกระดูกหลังคดทุกความจะทุกจากความเจ็บป่วยต้องวางใจหรือพิจารณาอย่างไรดีครับ ใครทุกข์กับเราทุกข์กับม่ทุกข์นี่ยก็เหมือนกันอ่ะแม่หรือแม่ทุกข์กับพ่อแม่ยังอยากให้ร่างกายหายเจ็บป่วยแม่ยังไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายก็เลยทุกข์แต่ถ้าแม่ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงว่าร่างกายในที่สุดไม่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดเราห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับความจริงก็คือปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ไปถ้าเรายอมรับความจริงหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วกับกัแบญาติอะครับอาจารย์อย่างลูกเขาไปที่ไปทุกข์เพราะแม่เขาป่วยเนี่ยนะครับ ก็เหมือนกันพราเราไม่เราก็อยากให้แม่ไม่เจ็บอยากให้แม่ไม่ตายอยากให้แม่หายมันก็ความทุกข์อันเดียวกันแบบสาเหตุอันเดียวกันความอยากเหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราห้ามมันไม่ได้หยุดไม่ได้เราไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเฉยเฉยถ้ามันเจ็บก็เจ็บมันหายก็หายถ้ามันไม่หายมันจะตายก็ ก็ปล่อยมันตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้หยุดมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นตายรักเนี่ยเห็นว่าร่างกายเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยวเห็นว่าเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ควบคุมบันครับเกิไม่ได้คุณสมพรครับบางครั้งถ้าร่างกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพอจะทําให้เกิดความล้าทําให้เกิดความเหนื่อยทําให้เป็นทุกข์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับน้ำกลับต่อการแนะนําพระอาจารย์ครับ อันนี้เป็นความความทุกข์ทางร่างกายทุกขเวทนาซึ่งทางใจถ้าเราไม่มีความอยากใชให้มันความเหนื่อยนี้หายไปเราก็ไม่ทุกอยู่ที่มัน ม, มันมีทุกขสองส่วนทุกขทางกายกับทุกขทางใจทุกขทางร่างกายนี้ก็เกิดจากการไม่ได้พักผ่อนพอเพียงก็ทําให้ร่างกายเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาทางร่างกาย แต่เราจะทุกกับความเหนื่อยๆความเมื่อยล้าของร่างกายหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าความอยากของเราถ้าเราอยากจะให้ร่างกายมันไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้าเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คุณลำไ ย, ยครับอันนี้ถามผมแต่ผมว่าถามอาจารย์ในแง่ธรรมะดีกว่า น, นะครับเขา้าพรรษานี้ตั้งใจจะงดทานอาหารสักวันสองวันหรือเมื่อร่างกายยังไหวตัวเองเป็นคนไข้มะเร็งไทรอยรักษาแล้วทานยาวนันละหนึ่งเม็ดอายุสาสิบเก้าแข็งแรงดีตั้งใจจะเร่งความเพียรอย่างนี้ควรไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้ลองดูสิเดี๋ยวว่ามันดีไม่ดีลองแลงวมันช่วยให้การปฏิบัติเราดีขึ้นเราก็ถ้าเราต้อง เรื่องระหว่างร่างกายกับใจนี้เราก็ต้องเรื่องเรืงทางใจเพราะใจมันเป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันตายประโยชน์ทางใจมันจะเป็นประโยชน์ที่ถาวรส่วนประโยชน์ทางร่างกายมันเป็นประโยชน์ชั่วคราวจะดูแนมันดีอย่างไรในที่สุดมันก็ต้องถึงแก่ความตายอยู่ดียังถ้าเกิดเราอดอาหารแล้วร่างกายก็ไม่ถูกกระทบก็เถิอนมากจนเกินไปเราไม่ถึงกับเจ็บไายได้ป่วยหรืออาการ โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ชุดลงไปแต่อย่างใดจากการที่เรามาอดอาหารแต่มันทําให้การภาวนาของเรานี่ดีขึ้นมีสติไวขึ้นสามารถนั่งสติตั้งสมาธิได้ง่ายขึ้นสงบได้มากขึ้นอย่างนี้ก็คุ้มก็ก็น่าก็น่าจะลงทุนมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าก็ต้องต้องทดลองดูของมุนนี้มันเป็นของที่มันมันตอบยากนะถ้าไม่ พู้ถามมันต้องเป็นผู้ที่จะต้องทดสอบเอาเอง <c oughs> คุณทิติมาครับหากเรานั่งสมาธิทุกวันแต่ยังผ่านทุกขเวทนาทางกายไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไรครับเมื่อตอนที่เวลาเจอทุกขเวทนาเราอย่าเพิ่งเลิกเนี่เราพึดสู้พึดด้วยการใช้สติเอเจริญพุทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหยุดพุทโธ เลยถ้าพุทโธคําเดียวมันสั้นไปก็ใช้บทสวดอิติปิโสไปก็ได้อย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนาทางกายให้ใจอยู่กับการสวดสวดไปจนกระทั่งเราลืมความเจ็บเนยเพราะลืมความเจ็บแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดแล้วทุกขเวทนาทางกายก็จะไม่มาสร้างความความสะเทือนใจให้กับเราได้เราก็จะอยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้ แต่อย่างนั่งเฉยๆนั่งแล้มอยากมันจะเกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปด้วยอยากจะหนีจากทุกขเวทนาไปนี่เราต้องเอาหาอะไรให้ใจทําเพื่อใจจะได้ไม่มามีโอกาสที่จะคิดถึงการอยากให้ทุกขเวทนาหายหรืออยากจะหนียากทุกขเวทนาไปด้วยการบังคับให้มันสวนมนไปหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าอย่าเพิ่งเลิกลองคิดสู้ดู ถ้าเราสวดไปได้สักห้านาทีสิบนาทีใจเราก็จะนิ่งง่ายแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายตอแล้วต่อไปเราก็จะผ่านทุกขเวทนาโดยใช้วิธีนี้ได้ซึ่งก็เป็นการผ่านแบบชั่วคราวไปก่อนแา่จะผ่านแบบท้าวังก็ต้องมีปัญญามาม า, มาสอนใจว่าทุกขเวทนานี้เป็น มันเป็นธรรมที่เราไม่สามารถไปบังคับมันได้มันเป็นอนัตตามันจะมามันจะไปนี่เราห้ามมันไม่ได้งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันไม่อยากจะทุกกับทุกขกับเวทนาเราก็อยากไปอยากให้มันไม่มาหรือเวลามันมาก็อยากไปอยากให้มันหายอันนี้ถ้ามีปัญญาแล้วถ้ามีสติมีกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้ต่อไปเวลากลับความทุกข์ใจเราก็ทําใจเฉยๆได้ คุณสมพรครับคนเรามีทุกทางกายและก็มีทุกขทางใจมากบ้างน้อยบ้างกันทุกคนเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ลกเว้นคนที่มีม่เช่นพระอารหันโนตตเจานีท่านจะไม่มีทุกทางใจเพราะท่านกำจัดสาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากมิเลตทันหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจท่านก็เหลือแต่ทุกทางกายเพอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าพระอารหันต์ท่านก็ยังมีความทุกทางกายอยู่ เวลาปวดท้องเขาปวดทองเหมือนกันเหมือนกับคนที่ไม่มีคนที่มีเกเลเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าใจไม่ทุกข์กับการปวจท้องเท่านั้นเองแตทุกทางกายนี่ยังมีอยู่จนกว่าร่างกายนี่จะตายไปเท่านั้นทุกทางกายถึงจะหมดไปแต่ทุกทางใจหมดไปตั้งแต่วันที่ได้กําจัดความอยากที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ให้ให้หมดไปได้ พอไม่มีความอยากหรือความยินดีในใจแล้วความความทุกข์ในใจก็ไม่มีอีกต่อไปคุณมาริษาครับเวลานั่งสมาธิมีความสุขมากค่ะได้อยู่เงียบๆกับตัวเองและได้พักผ่อนจิตใจแต่การหยุดความคิดทําได้ยากมากเจ้าค่ะมีความคิดฟุ้งซ่าน 95% ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแค่ 1% เป็นเพราะความที่เรามีสติไม่มากใช่ไหมครับอาจารย์ ก็เวลานั่งสมาธิเราก็หยุดความคิดได้ไม่ใช่เลยถ้านั่งสมาธิแล้วยังมีความคิดอยู่นี่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธนะิมันต้องความคิดต้องหายไปหมดเนะใจต้องนิ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิจริงอัปปนาสมาธิถึงยิ่งถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบนัติสันติพลังสุขขังแถ้านั่งสมาธิแล้วยังมีความคิดอยู่แล้วคิดว่าตนเองมีความสุขนี่ก็อาจจะเป็นเพ่งแต่ เพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทําให้ใจเราวุ่นวายก็ได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นความสงบของสมาธิอย่างแท้จริงถ้ามีความสงบของสมาธิอย่างแท้จริงนี้จะไม่มีความคิดเหลืออยู่เลยคุณโยโย่บอกว่าขอแนวทางฝึกฝนให้เกิดปัญญาแบบไม่เห็นทุกข์ครับแบบไม่ต้องเห็นทุกข์ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่า <S <S <S คือ ฝึกปัญญาไม่เห็นทุกข์ได้แตม่มันเวลาไปเจอทุกข์มันก็มันก็ต้องทุกข์อยู่ดีเช่นตอนนี้เราก็ฝึกปัญญาด้วยการคิดก่อนว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากอย่างไม่ได้เจ็บอย่างไม่ตายที่เราจะไปหยุดความทุกข์ได้หรือไม่เวลาที่เราเจอความเจ็บเจอความตายอันนี้มันนอกจอความจริงเราถึงจะรู้ว่าเราหยุดความทุกข์ได้หรือไม่ เราไม่เจอความจริงเราก็ยังจะไม่รู้อาจจะคิดว่าให้เราหยุดได้หยุดความอยากไม่ไม่เจ็บได้หยุดความอยากไม่ตายได้ก็ลองดูลองดูว่าเวลาเจอเจอของจริงแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม้ก่อนไม่ฝึกนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีกําลังหยุดความอยากได้ก่อนพอถึงเวลาเจอของจริงมันจะหยุดไม่ได้ คุณอายาครับตอนนี้หนูอยู่กับความทุกข์มากๆเลยเจ้าค่ะหนูเพิ่งสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไปค่ะเพราะหนูอยากย้ายคุณแม่ยังอยู่กับหนูต่อไปไม่อยากให้คุณแม่จากไปอันนี้แหละความอยากอันนี้ที่ทําให้หนูทุกข์ไม่ใช่เพราะความตายของคุณแม่ท่านหนูยังรับความตายของคุณแม่ได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติเรื่องงที่ไม่มีใครไปยับยั้งหรือห้ามได้ อยอมรับความจริงกันที่ได้เดีวก็จะไม่ทุกข์คุณลินรดาครับพระอาจารย์คะลูกจะทำบุญด้วยการบริจาคเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลสงฆ์ค่ะแต่ลูกอยากร่วมโอนเงินเล็กๆน้อยๆตามมีคะ่ะกับที่วัดพระอาจารย์ด้วยครับที่บ้านเขาก็มีบัญชีที่สามารถจะโอนเข้าได้ต้องทางคุณหมอจะต้องถามทางคุณหมูที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัดเก็มีหมายเลขบัญชีของทางวัดก็ให้ติดต่อคุณหมอดูว่ากันนะเพื่อคุณหมอมีเลขบัญชีก็รมอบให้รับคุณไปได้ครับอาจารย์ครับคุณธีระครับจิตเคยท่องเที่ยวไปหาอดีตอนาคตแต่ตอนนี้มันกลับไม่ยอมไปเที่ยวเหมือนเดิมมันอยู่แต่ที่นี่ ห้องนี้ไม่ไปที่อื่นมันเป็นของมันเองมีสติอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็บอกว่าแนวปฏิบัติก็ถูกต้องถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ไปถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไปสตินี่เป็นตัวที่หยุดความคิดความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องที่ใกล้ที่ไก ล, กลต่างๆก็จากความคิดพอเรามีเจริญสติอยู่เองต่อนี่มันก็จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้ใจมันก็จะอยู่ในปัจจุบัน อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คุณมาริษาครับขอเรียนถามอาจารย์เรื่องการบวชนาคว่ามีความสำคัญมากไหมเจ้าคะเพราะเห็นหลายครอบครัวเสียเงินเป็นล้านบวชลูกชายแต่บางคนบวชแค่สองวันก็มีเจ้าคะ่ะคือการบวชที่แท้จริงนี้เป็นการบวชแบบไม่ศึกบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบแบบแบบพระอรันตสาวกท่านบวชเพื่อดูให้ดุดพ้นจากความทุกข์น่ แต่ที่บวชกันส่วนใหญ่ในยุคนี้สมัยนี้เป็นการบวชตามธรรมเนียมประเพณีความเชื่อว่าถ้าเป็นลูกชายอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็บวชให้กับพ่อแม่ซึ่งสมัยโบราณเขาก็จะนิยมบวชกันหนึน่งพรรษาช่วงเข้าพรรษาก็จะไปบวชแล้วก็ไปเรียนธรรมะคาสั่งคา ส, ค ส, ค ส, ค ส, คสอนของพระเจ้าเพที่จะได้เป็นคนที่ฉลาดขึ้นมีปัญญาแล้วถ้าสึกออกมาก็จะได้เป็นคนดี รู้ผิดถูกดีชั่วรู้รู้ความกตัญญูกตเวทีรู้ว่าบุญคุณรู้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นธรรมดียอความเชื่อซึ่งถ้าเป็นคนถ้าเป็นชาวพุทธเราและเป็นคนเป็นผู้ชายก็จะเชื่อตามหลักนี้ก็จะถือว่าเป็นหน้าที่ของของลูกผู้ชายที่จะต้องบวชให้พ่อแม่แต่ถามความจริงว่าจำเป็นไหม มันสำคัญไหมมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อทางวาเพณีแต่ถ้าอยากจะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าจําเป็นมากสําคัญว่าการบวชนี้สําคัญมา ก, ามากถ้าไม่บวชนี่ยากต่อการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่ไม่บวชจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่จะยากกว่าการไปบวชแต่ถ้าถ้าสามารถไม่บวชแล้วหลุดพ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษไป แต่ส่วนใหญ่ที่ทั้งบวชกันทั้งนั้นโยพะอารันตสาวกส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนี้จะเป็นนักบวชทั้งนั้นคุณประชาครับถ้าชาตินี้ตัวเราฝึกสติฝึกปัญญาจนสามารถเข้าใจทุกข์ได้มากขึ้นดีขึ้นหลังจากที่เราละโลกไปปัญญานี้จะติดจิตไปเกิดใหม่หรือจะต้องไปเริ่มฝึกกันใหม่อีกครั้งหรือวิบากกรรมที่จะทําให้เกิดปัญญาจะตามเราไปครับ ออถ้ามันเป็นปัญญาที่เราดับความทุกข์ได้มันก็จะติดกับนรไปแต่ถ้าปัญญาที่เรายังเอามาดับความทุกข์ไม่ได้มันก็ยังจะไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญา <c oughs> ก็จะเราก็อาจจะลืมได้เมื่อเราไปเกิดพบหน้าชาตินะี่แต่ถ้าเราฝึกสติปัญญาแล้วเรามาดับความทุกข์ไดเช่น <c oughs> ดับความทุกข์ที่เกิดจากความ <c oughs> ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายได้อันนี้มันก็จะติดไปกับใจแล้ว พอเป็นพโสดาบันแล้วมันก็จะเป็นพระโสดาบันมันจะไม่กลับมาเป็นปุตตชโอีกเพราะมันจะมันจะรู้ว่าอความแก่ความเจ็บความตายนี้หยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าประหยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงแม้จะไปเกิดชาติหน้ายังได้ร่างกายของมันต้องอยู่เพราะโสดาบันนี้ก็จะไม่ถูกกับร่างกายที่ได้ใหม่เจะไม่มันไม่เลืนมันเป็นปัญญา ถ้าเป็นเพียงธรรมศึกษากันตอนนี้แต่ยังไม่ได้อำมาใช้หยุดความอยากจริงๆเรามาพิสูจน์ตั้งให้เห็นว่าเราหยุดความชั่วได้อันนี้ยังไปเกิดชาติหน้าเราก็อาจจะลืมได้หรืออาจจะไม่ถึงชาติหน้าถ้าเราไม่มานั่งคุยธรรมศึกษาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้ของวุ่นนี้มันลืมได้ถ้าเป็นการเป็นการเรียนรู้เท่านั้นไม่ได้การนำเอามาใช้ให้กับการปฏิบัติอย่างจริงจังมันก็จะยังไม่เป็นความจริงเป็นความจําอยู่ อาจารย์ครับแล้วความจํานี้พอจะไปเป็นนิสัยติดตัวไปบ้างได้ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าจําได้มากจําได้น้อยนครับถ้าเราจดถ้าเราพยายามจดจําอยู่เรื่อยมันก็อาจจะติดไปกับเราได้ไ ด, ได้นานกว่าก็สังเกตอยู่เลยของบางอย่างถ้าเราไม่คอยทบทวนอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหมเป็นความรู้ที่คุณหมอเรียนมาทำอยากอยากที่มาอะไรนี่ความรู้บางวิชานี่ลืมในบเนี่ถ้าไม่ได้ทบทวนเลยครับ ถ้าความรู้ที่หมอทบทวนอยู่เรื่องเช่นความรู้ที่คุณหมอต้องเอามาใช้ในการรักษาคนไข้นี้อันนี้กันจะไม่ค่อยลืมเยอะ แ, แต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอตายไปแล้วก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เดกอาจจะเป็นร้อยปีพันปีเนี่ความรู้เรานี่มันยังจะอยู่หรือเปล่าความจัำมันก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้คุณสัมพันธ์ครับผมมีความทุกข์ใจ แม่ของผมไม่ดูแลเลี้ยงดูบุปการีแต่ใจผมอยากอยากให้ท่านดูแลเลี้ยงดูแต่ท่านก็ไม่ทำกระผมควรทําใจอย่างไรครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะให้ท่านไปเป็น่อมท่านมันกล้วยไม่เปลี่ยนท่านไม่ได้หรอท่านไม่อยากจะดูแลบุปการีเราก็ไปไปมองคําให้ท่านไปดูแลไม่ได้เป็นเรื่องของท่านเราทุกคนเราไปอยากให้ท่าน เป็นอีกอย่างหนึงท่านเป็นอย่างนี้แต่เราอยากให้ท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าก็เลยทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเราสามารถจะเปลี่ยนท่านได้เมื่อเราเปลี่ยนท่านไม่ได้เราก็มาถามคนอื่นให้ช่วยบอกวิธีเปลี่ยนท่านก็มาเจอเราเราก็บอกว่าอย่าเลิกปิไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ก็ลองดูก็อยากได้มากก็เราพูดดูหรือถ้าเราไม่เช่นนั้นเราก็ไปทําหน้าที่แทนท่า น, นก็แล้วกัน เมื่อท่านไม่ดูแลเราก็ไปดูแลแทนหรือถ้าท่านไม่ดูแลปู่ย่าตายายเราก็ไปดูแลแทนท่านก็ได้เ<ด>มันอาจจะทําให้เกิดท่านเกิจิตสํำนึกขึ้นมาแล้วอาจจะมาทําตามที่เราทําก็ได้เอ๊หลานเราหลานมันดีนะมันดูแลปู่ย่าตายายเราเป็นลูกทําไมเราไม่ดูแลอเมื่อหลานทําเป็นตัวอย่างว่า อ, อาจจะทําให้พ้อมให้บุพการีให้ให้แม่อยากอยากจะไปทําตามลูกก็ได้ ถ้ามีวิธีเดียวเราต้องทําเป็นตัวอย่างให้ให้แม่อยู่สอนแม่ด้วยการกระทําของเราไม่ด้วยการไม่ได้ด้วยการด้วยวาจาคําพูดคําพูดนี้บางมันพูดแล้วมันบางทีมันไปทําให้คนต่อต้านใช่ไหมเวลาเราจะไปพูดให้เขาทารุ่นทำนี่เขาจะต่อต้านแต่ถ้าเราไปทําเองทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเขาอาจจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วอาจจะทําให้เขาเกิดศรัทธาอยากจะทําตามเราก็ได้ อาจารย์ครับมีหลายคอมเมนต์เลยครับบอกว่าเสียงชัดเจนมากนะครับวันนี้อื่าอ่านโนโมธนากับคุณหมอที่ส่งมาให้ยังไม่อยู่ตนี้พอดีครับครับครับขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสด้วยครับผมคุณประชาครับธรรมะสาคัญอะไรที่คนที่แก่อายุมากกับคนหนุ่มที่อายุน้อยควรปฏิบัติให้มากครับมันสําคัญกับทุกคนนะ ใคริที่กรตามไม่ว่าจะแก่หรือไม่แก่ถ้ามีความทุกข์นี้ธรรมะนี้เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของร่างกายคนคนแก่คนหนุ่มก็มีโรคภัยเหมือนกันและยาที่รักษาโรคภัยก็มีความสําคัญในความจำเป็นเท่ากันธรรมะนี้เป็นยารักษาโรคใจยาที่บำบัดความทุกข์ทางใจถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไม่ให้มีความทุกข์ทางใจเราก็ต้อง มีธรรมะเราต้องปฏิบัติศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะเพราะการศึกษานี้เป็นเพียงแต่การไปรับยามาจากพระพุทธเจ้านะเมื่อรับยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาเหมือนกับเวลาที่เราไปรับยามาจากหมอหมอให้ยามาเราก็รับยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาเอาเข้าไปในร่างกายใจเราก็เหมือนกับร่างกายใจเราทุกเราก็ต้องไปเอายาจากพระพุทธเจ้า เมื่อเราปั่ยามาแล้วจากด้วยการศึกษาเราก็ต้องเอายาเข้ามาทางใจด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเป็นการนาเอายาหรือธรรมะเข้าสู่ใจทีนึ่การศึกษามันจะไม่เข้าถึงใจมันเข้าแต่เข้าถึงขันเข้าถึงสัญญาเะ่านี้แต่มันจะไม่ลึกเข้าไปถึงในใจมันจะเข้าไปในใจต้องเกิดจากการปฏิบัติถ้าใจยังไม่เข้าไปถึงในใจเป็นสัญญาเดี๋ยมันก็ลืมได้ เช่นเราคุยกันวันนี้เป็นปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นเป็นปัญญาแบบสัญญาเดีย๋ยวพอพวกนี้นคุณไปทํา ง, งานไปทับเกี่ยวเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้มันก็ลืมเรื่องนี้นนไปแล้วเรื่องเกี่ยวความทุกข์ใจก็ก็แก้ไม่ได้แม้กระทั่งฟังฟังฟังทำอยู่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาที่เราต้องตอบไปว่าเราทุกข์เพราะความอยากอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ยังมีคําถามนี้กลับเข้ามาอีกว่าอยากให้ บุการอยากให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราไม่ได้ฝั่งเราเราไม่ได้เอามาใช้ให้มันเป็นปัญญาเราไม่เอามาหยุดความอยากของเราคุณสมพรครับทําอย่างไรถึงจะให้ละความอยากเสพรูปกลิ่นเสียงโผฏฐะไปได้ครับต้องพิจารณาใช้ธรรมะข้อใดอย่างใดครับก็มีเครื่องมือหลายอันที่เราต้องใช้คือ เบื้องตนพระเจ้าบอกว่าให้เราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็คือให้ถือศีลแปดตาอย่าไปดูรูปเสียงกลิ่นรสผดฉาบให้ไปปีกวิเวกให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสบาคนที่อยากจะเล่าสูบบุหรี่ต้องไปอยู่ในแต่ที่ที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบใช่ไหมถ้าไนมะ่มีหรือไม่มีบุหรีร่ให้สูบไม่มีคนสูบเดี๋ยวเราก็ความอยากจะสูบมันก็หาย ไายไปได้ถ้าเราสู้กับมันได้แต่ถ้าเราเห็นบุหรี่ปั้บเนี่ยเราจะอดไปได้อยากจะสูบขึ้นมาทันทีอันนีเราต้องไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลงิ่นรสเนี่ยที่ที่พาไปปลีกวิเวกไปภาวนาอยู่ในป่าในเขานี่ก็เพื่อไปปีกไปหนีรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเพราะอยู่ใกล้ถ้าอยู่วัดในบ้านในเมืองนี่ได้ยินเสียงได้เห็นรูปมันเกิดความอยากขึ้นมางั้นเบื้องต้นก็ต้องต้องปีกตัวไปปลีกวิเวกกายวิเวก คือเอาเอาร่างกายนี้ให้ออกห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสก่อนถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี่รูปเสียงกลิ่นรสมันเยอะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวอันนี้มันจะทําให้เราอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแลขั้นต่อไปก็ต้องใช้สติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเราไม่มีสติคอยคุมใจเนีมักคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส ขึ้นมาได้พอคิดมากๆมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะต้องกลับไปหารูปเสียงกินลดอยู่ดีเน้นต้องใช้สองอย่างใช้การปีกวิเวกสารวมินซีตาหูจมูกนิ้นกายถือศีลแปดให้อยู่ห่างกายอยากรูปเสียงกินลดแล้วก็เจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องควบคุมความคิดอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกินลดต่างๆถ้าเราทำได้ใจเราก็จะสงบ คามอยากก็จะหยุดไปได้คุณนภาครับเมื่อวานตอนเที่ยงนั่งสมาธิรู้สึกถึงกายหยาบกับกายทิพย์แยกจากกันแต่แค่แวับเดียวอารมณ์เหมือนไฟช็อตแป๊บเดียวครับพระอาจารย์ควรทำหรือกแก้ตรงไหนไหมครับไม่ต้องแก้เปยพยายามทำให้มันแยกกันนานอย่างเบื้องต้นนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิแบบฟ้าแลบลมแลบิจิตสงบ กายกายายากกายที่ยากออกจากการชั่วข่าวแต่ถ้าาฝึกสติให้มากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิเวลาเกิดความสงบมันจะสงบได้ไดนานขึ้นนตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือควรจะจาญสติให้มากขึ้นและควรจะนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นด้วยทําต่อไปเราเริ่มเริ่มได้เห็นผลแล้วเริ่มพยายามขยายผลให้มันกว้างขึ้นยาวขึ้น มากขึ้นคุณพ ร, รวีครับทําอย่างไรเราจึงจะเก็บอริยทรัพย์ของเราไว้ใช้ในชาติต่อๆไปคะมันจะหายไปพร้อมกับชาตินี้ของเราไหมถ้าเขายังไม่บรรลุโสดาบันครับเออถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันเราไม่ได้ว่อาอริยทรัพย์เนี้ยอย่ี้ถือว่าเป็นโลกีทรัพย์อยู่คือเป็นทรัพย์ของของโลกของของตายพบอยู่ เห็นเราได้สมาธินี้ยังเป็นโลกียสับอยู่สมาธินี้จะทําให้เรายัางติดอยู่ในในพรหมโลกอยู่จะต้องเป็นอนาฬยาสัพมันถึงจะทําให้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หายไปมันจะอยู่คู่กับใจไปแล้วมันก็จะพาให้เราได้หออกจากโลกการเวียนว่ายตายเกิดตามลำหนับต่อไปคุณสมพรครับ ครูบาอาจารย์จะปฏิบัติธรรมอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับคือศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมรวมทั้งเผยแพร่สั่งสอนธรรมะเป็นหลักเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือเบืองต้นท่านก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็ปฏิบัตินํำสิ่งที่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาปฏิบัติเมื่อเรามารู้ผลแล้วเราก็ถึงขั้นไปเผยแพร่สั่งสอนต่อผู้อื่นต่อไป แต่แังที่เรายังไม่บรรลุเรายังไม่หลุดพ้นเรายังไม่สำเร็จเราไม่ควรไปเผยแพร่สั่งสอนพูเพร่นวัาะจะทำให้เราเสียเวลาสูญเสียเวลาไม่ค่าให้กับการปฏิบัติไปถ้าเราไม่พูดสั่งสอนคนอื่นคุณ S.K. ครับยุคนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากทางการแพทย์บอกว่าเป็นจากสารสประสพติดไม่สมดุล ทำอย่างไรจะให้คนที่เป็นโรคนี้เข้าใจธรรมะและหลุดออกจากวงจรนี้ได้ครับก็ต้องอยู่ที่เขาสนใจธรรมะหรือไม่อยู่ดีๆเราจะไปเอาธรรมะให้เขานะมันมันเมื่อที่เขามันสนใจมันก็มันก็ยากมันก็ยากองนั้นมันต้องให้เขาสนใจก่อนถ้าเขาสนใจธรรมะแนละ้วมันก็ง่ายเขาก็จะได้ศึกษาธรรมะ คุณเจษฎากรครับถ้าปล่อยวางความทุกข์ได้โดยไม่สนใจต้นเหตุของความทุกข์สมาธิและจิตใจที่สงบสามารถก่อให้เกิดปัญญาได้หรือไม่ครับอย่างไรครับอ๋อสมาธิและจิตใจที่สงบนี้ทําให้ปัญญาเกิดไม่ได้เพราะปัญญานี้เกิดจากการศึกษาหลักคอมหลักธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นสายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา ความที่เราจะเข้าใจไตรลักษณ์ได้เราต้องศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เกิดมาแล้วที่ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่มีการเสือ่อมไม่มีการสิ้นสุดนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดแล้วเราไปควบคุมบังคับเขาได้ไหมเช่นดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกปลูกดอกไม้พอดอกไม้มันมันมันมันจะแรงออกมาแล้วตัดดอกไม้ เราดูไปเรื่อยๆต้นไม้ที่มีดอกไม้เนี่ยดอกไม้มันก็จะเช้ามันก็จะเหี่ยวไปใช่ไหมตามตามขั้นตอนของมันนี่ก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่แน่นอนของสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราต้องศึกษาถึงจะเห็นภาพที่แท้จริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้เาใชการวิเคราะห์ทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากการที่เราปรยากให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงเราชอบของที่มันสวยๆงามงานเราก็อยากจะให้มันสวยๆงามงานไปตลอดเช่นดอกไม้แต่มันเป็นแบบไม่ได้เพราะดอกไม้มันก็จะบานจะมันจะสวยไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเหี่ยวอั น, นี้นะคือการใช้ปัญญาศึกษาปัญญาจะเกิดจากการศึกษาจากการวิเคราะห์ จา ก, การวิจัยธรรมวิจยโยนัย่แหละปัญญาคุณรุ่งนภาครับโยมใส่บาตรเสร็จแล้วกรวดน้ําเ อ, อ่ยชื่อบิดามารดาแล้วกรวดน้ําให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงไม่ทราบว่าเปรตเหล่านั้นสามารถรับส่วนบุญของเราได้หรือไม่ครับถ้าเราให้ทั้งหลายมันจะพอแบ่งกัน่นเลยเราทําบุญแค่ร้อยบาทนี่เราถ้าเปรตมาร้อยตัวก็แบ่งไม่ได้คนละบาทเดียว เั้นเราไม่นิยมทําแบบนี้แล้วเราเราน้ยมทําเฉพาะบุคคลมากกว่างั้นเราทำบุญอุทิศ น, นี่เรามักจะอุทิศให้กับคนที่เรารักหรอเขาล้มที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่เช่นคนที่เราบูดาเบดามาดาคูบาจารย์หรือปุยาตายายก็เราคิดถึงเท่าห่วงเขาแล้วก็ทําบุญแล้วก็อุทิศให้เขาเจาะจงให้เขาคนเดียวก็พอถ้าเรามาไปแบ่งให้กับเปรี๊ยร้อยตัวพันตัวนี่มันก็จะเหลือนิดเดียวนะมุญที่จะให้กับ วลาธรรมดาของเราก็จะให้ได้นิดเดียวแล้วเองคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับการหยุดความอยากนอกจากใช้สติปัญญาแล้วต้องใช้คุณธรรมด้านใดอีกบ้างเจ้าขาเช่นความอดทนอุเบกขาได้ไหมครับก็ต้องมีอุเบกขานอะอุเบกขาก็าต้องอุเบกขาที่เกิดจากการได้สมาธิเท่านั้นถึงจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาแท้ อุบเบกขาที่เรามานั่งคิดว่าเราจะเฉยเฉยเวลาใครก็พูดก็ทำอะไรแล้วมันจะเฉยเฉยนี่มันจะเฉยได้จริงหรือเปล่ามันไม่แน่นอนถ้าเราไปพูดจี้ใจดําเรามันก็เฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีอยูุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธินี่เราเฉยได้คุณสมพรครับในการดําเนินชีวิตประจําวันต้องพบเจอคนหลายแบบหลายอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสมากระทบ โยมต้องใช้สติและปัญญามาตัดสิ่งกระทบเช่นว่าใช้วิธีการนิ่งวางเฉยเอาตัวรู้เอาตัวปัญญาไปตัดสิ่งที่มากระทบพอถ้าโยมไปร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยก็เหมือนโยมไปเพิ่มกิเลส ต, ตัวเองได้เหมือนกันเหยียบเบรกหยุดได้ตอบสนองตอบหยุดโตอตอบแสดงความคิดเห็นตัวเองโยมคิดอย่างนี้พอจะถูกทางถูกธรรมแล้วหรือยังครับ เ็แล้บางทีเราก็ต้องตอบโตัวน้ำคุยกันไม่ใช่ว่าจะจะเป็นบ้าไปตลอดเดียร์ใคก็ไม่พูดไม่จามันก็ไม่ถูกมันก็ต้องใช้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะพูดเน้นพูดอย่างไรอย่าไปพูดเพื่อเอาตามความอยากของเราพูดด้วยเหตุด้วยผลได้อยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพูดแล้เกิดอารมณ์เราก็อยากพูดไปขอตัวขอตัวแยกตัวไป แต่ถ้ามันมันอยู่ด้วยกันมันต้องพูดอ่ะถ้าจจเจอใจเพื่อนร่วมงานที่พูดร่วม ง, งานร่างกายก็พูดไปตามด้วยเหตุ ด, ด้วยผลก็พูดได้แต่อย่าพูดอย่าพูดด้วยอารมณ์นั้งเองคุณวงจันทร์ครับเราควรฝึกใจตนให้เป็นกลางปล่อยวางเรื่องราวที่กระทบใจอย่างไรดีครับฝึกสติฝึกสมาธิให้มากสร้างสมาธิทำจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้แล้ว เราก็จะใจเราก็จะเป็นกลางโดยอัตโนมัติคุณวันเพ็ญครับการเรียนถามเรื่องการสั่งสมบุญบา ร, รมีสิบไปจนถึงวันตายแล้วบา ร, รมียังไม่เต็มจะสั่งสมบา ร, รมีต่อได้ต้องเกิดในภพภูมิมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมเจ้าครับเจ้าคะใช่เพราะมันมันมันสุกมันก็ไม่ขยัน ทุกข์ถ้าเปเจอไปกดในบาบาลมันทุกข์ก็มันก็ไม่มีสติสตางที่จะมาเจริญบา ร, รมีเหล่านี้คุณอัชาราครับคนเราถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราต้องชดใช้ให้พวกเขาทุกพพทุกชาติมีวิธีไหนทำบุญอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้คือให้หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันภายในภพชาตินี้ครับ อ๋อเราไปกำหนดไม่ได้หรอกอยู่ที่เขาว่าเขาพอใจหรื อ, อยังกับการล้างแค้นของเขาถ้าเขาพอใจแล้วมันก็หมดถ้าก็ยังไม่พอใจเขาก็ตามมาล้างแค้นกัเราอยู่ยเรื่อยๆแต่ถ้าเขาฆ่าเราได้เขาคิดว่าคงจะหมดอย่างพระโลกลานั้นะก็รู้ว่าถึงแม้ท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารท่านก็มีเจ้ากรรมในเวทที่จะมาฆ่าท่านท่านก็เลยไม่ใช้อิทธิฤทธิเพื่อจะหลบหนี ว่าท่านบอกว่าหนีวันที่ได้เดี๋ยวพวกนี้เขาก็ตามมาอีกวิธีนี้เสุจก็คือปล่อยให้เขาทาตามที่เขาต้องการพอเขาฆ่าท่านได้แล้วมันก็มันก็จบคุณเที่ยวไปเรื่อยครับพระอาจารย์เคยเทศบ่อยๆว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของวินยูชนหรือผู้มีปัญญาจะเข้าใจความหมายว่าอย่างไรครับก็คือคนที่อ ไม่มีปัญญาก็คือคนที่คิดแบบด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นถ้าคนมีปัญญาเนี่จะคิดตามหลักเหตุผลว่าทําสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเช่นทําผิดกฎหมายก็จะองถูกจับไปติดุกติตารางถ้าไม่อยากจะติดคุกติดตารางก็อย่าไปอย่าไปทําผิดกฎหมายอันนี้ก็คือคนฉลาดจะคิดแบบนี้ คนง่อยจะคิดว่าเ้ยทำผิดแล้วหนีได้ไม่น่าติดคุกติดตารางอันนี้เรียกว่าคนไม่ฉลาดคุณนิ่มครับถ้าทํางานแล้วเจ้านายทําตัวแย่มากเราจะต้อง accept and put up with it เลยครับ่าถ้าเราอยากจะทํากับเขาเขาเป็นคนใจเงินเดีวยวได้เราถ้าเราไปขัดใจเขาไปทําให้เขาไม่พอใจเขาจะไล่เราออก คุณมงคลครับบางทีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราก็ได้หรือเปล่าครับก็มีส่วนบางทีคนเรามันต้องมีทุกข์ก่อนเนี่ยมันต้งยาค้นหาหาที่เพิ่มที่ดับทุกข์ถ้าบัรเจอที่เพิ่มที่ถูกทางก็คือธรรมะก็จะเปล น, เ ป, นเป็นวิธีการดำเนินชีวิต อากการที่ไม่เคยไปศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมก็จะมาให้กับความให้ความสาคัญกับการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้เพราเราถึงต้องมีทุกข์ก่อนเนี่ยมันถึงจะมะีมีปัญญาเกิดขึ้นว่าออวิธีนี้ทาให้เราไม่ทุกข์ต้องทำอย่างนี้นะต้องธรรมะธรรมโมคุณสมพรครับบางทีความไม่อยากกับความอยาก ถ้าโยมไม่เจริญสติที่เข้มแข็งพอความอยากและความไม่อยากก็จะครอบงำเอาได้จนไม่รู้สึกตัวจะรู้ตัวได้อีกทีก็เมื่อมีสติอย่างนี้ต้องเจริญสติให้สม่าเสมอใช่ไหมครับได้ต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เป็นสัมปชัญญะคือไม่ขาดสติไม่เผยสติเลยลเราจะควบคุมความอยากได้ คุณมาลิสาครับมีข่าวเรื่องเด็กที่ชักคนที่มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมเป็นเพราะในอดีตชาติได้สั่งสมบุญบา ร, รมีไว้แล้วหรือเป็นเพราะประสบความทุกข์จนทนไม่ได้หาทางออกไม่เจอเลยหันหน้าเข้าหาธรรมะเพราะมีบางคนก็คิดสั้นฆ่าตัวตายก็มีเจ้าค่ะอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบถามอะไร คุณจาลุวันครับนั่งสมาธิจิตนิ่งหยุดกึกที่อยู่อยู่ที่กึ่งกลางมีความสุขว่าบเข้ามาแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่หลังจากนั้นไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเวลาที่เรานั่ยเราอาจจะไปอยากให้จิตไปถึงจุดนั้นซึ่งจิตมันไม่ไปที่จุดนั้นด้วยความอยากมันจะไปจุดนั้นได้จากการที่เรามีสติอย่างต่อเนื่อง อยู่กับนมหรืออยู่กับพุโทโธไปฉะนั้นเวลานั่งสมาธิข่าต่อไปอย่าไปนึกถึงผลที่ได้ในอดีตแล้วอย่าไปอยากให้ได้ผลมันที่เคยได้ในอดีตให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจกำกับใจเช่นพุโทโธหรือการดูลมหายใจเขาออกหรือวิธีที่เคยเราเคยนั่งมาก่อนเราเคยนั่งแบบั้นแล้วก็นั่งแบบนั้นไปแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันเกิดผลขึ้นมามันจะไม่เกิด คุณพอพิทครับระหว่างอุทิศบุญไปให้กับแผ่เมตตาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเมตตาเี่ส่วนใหญ่เราใช้กับคนเป็ น, นเวลาเราพบปากกันเราก็แสดงความเมตตาคือมิตรภาพเนี่ยคำว่าเมตตาก็มาจากคำว่ามิมตรเมตตากับมิตรภาพนี่ก็คือคำเดียวกันเราต้องเป็นมิตรกับทุกคนเวลาเจอใครอย่าไปถือเขาว่าเป็นศัตรูกับเรา ถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนเสียหายแล้วก็ยกโทษให้เขาไปถือว่าเราเป็นมิตรกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศนี้เป็นการอุทิศบุญที่เราทำนี้ให้กับผู้ที่นองรับไปแล้วคนต่อเนื่องกันคุณสายลมครับดูกายนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงเดือนนี้เมื่อไม่ได้ดังใจต้องการจะเห็นโกรธขึ้นแรงจดอึดอัดชัด ตอนนี้ทําโดยเห็นและกลับมาดูกายเคลื่อนต่อปล่อยความโกรธเกิดไปเบาลงหยุดแล้วก็อีกขอท่านพระอาจารย์แนะนําข้อปฏิบัติที่ควรครับก็พยายามมีสติให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วพยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นแล้วใจเราก็จะเย็นลงแล้วก็ความโกรธก็จะเบาลงจะน้อยลงไป คุณบีครับไม่ให้ยืมเงินกับคนที่รู้ว่ายากที่จะได้คืนไปค่ะก่อนหน้านี้เคยช่วยหลายครั้งเคยให้ยืมก้อนใหญ่ๆก็ไม่ได้คืนแต่ก็แอบทำใจแล้วค่ะแต่มาครั้งนี้ข อ, อไปครับอาจารย์ครับที่ตัวเองไม่ให้ยืมกับกลายเป็นตัวเองมาคิดวนเวียนอยู่ว่าเราใจแคบหรือเปล่าเราไม่กวนาเขาใช่ไหมเรายัางยึดมั่นในเงินทองอยู่ใช่ไหมควรทำอย่างไรครับ มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเราให้เขาหยิบแล้วเขาไม่คืนแล้วแสดงว่าเราถูกเ้าหลอกแล้วเราจะปล่อยให้เ้าหลอกเราไปเรื่อยๆเนอะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเราเป็นใจแคบแล้วไม่แคบเรกรุณาแล้วไม่การุณามันเรื่องของเรื่องของการถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกถ้าเราอยากจะกรุณาเราอยากจะใจกว้างแล้วเราไม่ไม่กลัวให้เ้าหลอกก็ทําไปเลยก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าเราไม่ทำเราเราก็ไม่ได้หมายคาว่าเราจะใจแคบเพราะเราก็เคยช่วยเหลือเขาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยะเมื่อเราช่วยเหลือเขาแล้วเขากลับไม่ไม่ทําตามคําพูดของเขาเขากลับมาหลอกลวงเราเรายังจะปล่อยเขาเราหลอกลวงเราอีกเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องใจแคบหรือไม่กันโรน่าแต่แต่ถ้าครั้งแรกนี่อาจจะเป็นเพราะเราไม่กัโรน่าเนาอาจจะใจแคบก็ได้แต่เมื่อเราทําไปแล้วเราถูกเขาหลอกแล้ว อันนี้มันมีบทเรียนสอนเราว่าเราไม่ควร่าให้เขาหลอกเราอีกคุณวันเพ็ญครับจริงหรือไม่คะถ้าเราช่วยเหลือคนที่เขากําลังลําบากแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาจะโกรธเราครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเจ้ากรรมในเวรเขารู้รึเปล่าถ้าคนที่เขาเกียรตคนนี้แล้วเราไปช่วยเหลือคนนี้เขาอาจจะมาโกรธเราก็ได้เพราะเราเขาไม่ต้องการให้เราไปช่วยเหลือคนนี้ ต้ออยู่ที่ว่าเขารู้ป่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่พอใจในการที่เราไปช่วยเหลือคนที่เขาเกลียดชังก็ได้เพราะเขถือว่าศัตรูศัตรูของเขาเครื่องเครื่อนของศัตรูก็เป็นศัตรูของเขาเหมือนกันคุณพงพันธ์ครับการฝึกใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้น ตัวสังขารขันจะถูกพัฒนาให้เป็นไปในทางมัคได้ด้วยหรือเปล่าครับกับขอบคําแนะนาครับก็นี้แหละตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวที่คิดเนี่ยถ้าคิดไปทางตายรักก็คิดมันก็เป็นมัคกุฎอุสรีครับทําอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาทางธรรมเจ้าคะต้องมีศีลสมาธิถึงจะเกิดปัญญาหรือเจ้าคะปัญญามันมีหลายระดับนะมัน มันลำดับด้วยต้นคล้ายคิดด้วยเหตุด้วยผลและมองความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่เช่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเราคิดได้ที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเจริมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของที่เราควบคุมมาคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เรียกว่าอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้เขาเที่ยงอยากไปอยากให้เขาเปลี่ยนไปตามความอยากของเรา อันนี้ก็เป็นปัญญาปัญญาทางความคิดก่อนเมื่อคิดแล้วถ้าเรายังทําใจไม่ได้เนี่ยเห็นอะไรเราก็ยังอยากอย่ากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องไปฝึกสมาธิเพื่ใจเรามีพลังที่จะหยุดความอยากของเราได้พอเรามีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากของเราได้ในการที่เราจะมีสมาธิเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลนแปดให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาสิ้นแปดไม่ได้เราก็จะ ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งสมาธิได้เพราะเรามักจะเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันที่มากกว่าก็เลยต้องรักษาสีม่อนแล้วถึงจะไปฝึกสมาธิได้เมื่อฝึกสมาธิได้เรามีใจที่นิ่งสงบได้เราก็จะสามารถใช้ปัญญาที่เราคิดว่าสิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราก็มาหยุดความอยากของเราได้อันนี้ก็เป็นปัญญาขั้นสุดท้าย ข้นที่จับความทุกข์ได้ขั้นที่จะหยุดความอยากได้คุณเปี่ยมมากครับตั้งสัจจะจะทําความดีแต่พอสติไม่มีหลุดทําสิ่งไม่ดีรู้สึกได้หลังจากสติ ก, กลับมาจะมีหลักอย่างไรให้เรามีสติได้ตลอดครับก็ฝึกเลยเาฝึกได้ฝึกทั้งวันได้ตั้งดต่เลตาขึ้นมา พระอาจารสอนวิธีง่ายๆให้เราเฝ้าดูร่างกายของเราทุกเอเรียบทุกวินาทีของการเคลื่อนไหวร่างกายทําอะไรก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นเองฝึกไปเรื่อยๆแล้วทำมีสติอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถใช้สตินี้บงังคับความคิดที่ไม่ดีได้จากแม่ชีนภัทรครับ ขอคำแนะนําการภาวนาเนื่องจากช่วงนี้เนื้อ ง, งอกในมดลูกโตกขึ้นคล้ายคนท้องเจ้าค่ะแม่ชีไม่ได้รับประทานยากแก้ปวดเพราะยา ก, กัดกระเพาะอาหารเจ้าค่ะวิภาวนาก็มีสองระดับระดับแรกก็ทําใจให้สงบโดยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิดูละหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นขั้นสมาธิขั้นที่สองก็คือภาวนาด้วยปัญญาพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยง เือดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะมันเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติเราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราทำอย่างสมงอย่างนี้ไนดะ้ใจเราก็จะไม่ทุกกับความเจ็บใข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายคุณประถมครับ สุดยอดของธรรมคือการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้มาเกิดใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ถึงพานิพานเมื่อจิตถึงพานิพานแล้วจิตก็จะไม่กลับมากอดแก่เจ็บตายต่ตอไปพุนสมพรครับการใส่บาตรในแต่ละวันจะได้รับอนิสง์อย่างไรบ้างครับก็จะจิตใจเราก็จะสูงขึ้น จากมนุษย์เราก็จะเป็นเทวดาความทุกข์ที่มีในใจเราก็จะน้อยลงความสุขใจก็จะมีมากขึ้นจากการทําบุญทําทานไม่ว่าจะใส่บาตรก็ดีปล่อยนอกปล่อยปลาก็ดีไป่อไถวัวไถโคก็ดีแล้วแต่ทางมันมีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ผลก็คือเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจและจิตใจจะสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะค่อยๆ ย, ย, ยกระดับขึ้นไปเป็นเทพต่อไป คุณสมพรครับคนที่อยู่ในเพศคารวาสเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคารวาสคนนั้นมีธรรมะขั้นสูงมากน้อยเพียงใดเช่นขั้นสกิทาคามีหรือสูงกว่านั้นหรือว่าเราไม่อาจล่วงกระเอาเองได้เผลอเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ในส่วนนี้ด้วยตัวเองเป็นได้น้องกลับครับคือก่อนจะรู้ทํามของคนอื่นได้เราต้องรู้ธรรในตัวเราก่อนะ ถ้าเราไม่มีธรรมในตัวเราเราจะไม่มีธรรมไปว่าธรรมะของคนอื่นได้ดังนเั้งต้นเราจะต้องปฏิบัติให้ตัวเราได้บรรลุธรรมก่อนเมือเราบรรลุธรรมแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนอื่นมีธรรมหรือไม่ก็เราต้องคุยกับเขาหนึ่งถามเขาหนึงถามเรื่องธรรมะหนึ่งแล้วดูว่าเขาจะตอบอย่างไรที่เขาเรียกว่าทดสอบธรรมกันอันนี้ ครูบอาจารย์จะทดสอบทำขอกว่าลูกเสร็จมีมาก้ากเพียงไรก็บาง ท, ท่านก็ดูกิริยาอาการหรือท่านอาจจะใช้ใช้เหยื่อล่อพูดอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างแล้วดูดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการพูดการกระทําของท่านท่านก็จะดูออว่าจิตของเขาเป็นอย่างไรเช่นอยู่ดีๆท่านก็ด่ า, ดาขึ้นมาอย่างนี้ดูดูว่าเขาจิตก็จะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการทดสอบธรรมะ แต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบคนอื่นได้เราต้องมีธรรมะในใจของเราก่อนถ้าเรายังไม่มีเราอย่าไปสนใจว่าคนอื่นเขามีสัมสูงหรือไม่เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปรู้ว่าธรรมะของระดับจิตของผู้อื่นเขาเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราก็คือให้รู้ระดับจิตของเราว่าอยู่ตรงไหนแล้วควรจะทำยังไงต่อไปดีกว่าคุณมีครับ นั่งสมาธิจำเป็นไหมครับต้องใส่ชุดขาวครับไ ม, ไม่จำเป็นอถ้าเราถ้าเรา ป, รปฏิบัติของเราตามลำพังแต่ถ้าเราไปอยู่ตามสำนักที่ก็มีกฎระเบียบว่าจะต้องใส่ชุดนั้นชุดนี้แล้วก็ต้องทับตามกฎระเบียบเท่านั้นเองคุณรินละดาครับพระอาจารย์ค้าทุกวันอาทิตย์ลูกต้องละความอยากในการดูไลฟ์สดเพื่อ CF สินค้าแล้วเอาสติมาควบคุมความอยากเพื่อหันมาฟังธรรมะจากพระอาจารย์แบบนี้ลูกชนะใจตนเองได้บ้างนะคะถ้าเริ่มทางโล่งได้มาทางธรรมถึงแล้วเราชนะเัาชนะกิเลสของาคุณเอสพีครับเวลาภาวนาพุทโธเราสามารถพุทโธเป็นให้เป็นจังหวะหรือหาจุดที่นึกพุทโธในใจ แล้วเพ่งจุดตรงนั <c oughs> <it> ้นพ <ano> <t UC S 2> <uffy> ุทโธที่จุดนั้นได้ไหมครับภาวนาพุทโธแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันต้องตั้งพุทโธอย่างไรถึงจะถูกวิธีครับก็ให้อยู่กับคําพุทโธไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปตั้งมันให้มันอยู่ที่ไหนให้เรารู้ว่าเรากำลังพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธทนั้นเองไม่ต้องไปกําหนดให้มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ส่วนจังหวะจะช้าจะเร็วนี่เรากําหนดได้ บางครั้งถ้าเราง่วงนอนเราจจะต้องบริกรรมให้มันเร็วขึ้นหน่อยเพื่อมันจะได้หายง่วงแล้วบางทีเวลามันฟุ้งซ่านความคิดเข้ามาเยอะเราก็อาจจะต้องบริกรรมให้มันเร็วขึ้นก็ได้อันนี้ก็อยู่กับเหตุการณ์ทางด้านจิตใจของเราว่าอยู่ในสภาพไหนถ้าเป็นสภาพปกติเราก็อาจจะบริกรรมพุโทโธตามสบายตามปกติไปก็ได้แต่ไม่ต้องไปเอาพุโทโธไปวางไว้ตรงจุดนั่นจุดนี้ไ ม, ไม่ไม่จําเป็น ให้เรามีคำบริกรรมอยู่ในใจให้เรารู้อยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นก็พอคุณไก่ครับเราเห็นคนตายทุกวันคนไกลตัวคนใกล้ตัวเรารู้ว่าสักวันเราก็ต้องตายแต่ทําไมเราถึงมีความเพียร น, น้อยที่จะเตรียมตัวตายคะจะต้องทําอย่างไรให้ตัวเองมีความเพียรมากๆครับเราก็ไม่รูเหมือนกันนะให้คนตายทุกวัน เห็นจริงรูป <mañana>. ล่าก็เห็นตามจินตนาการเห็นตามความคิดอันนี้ไม่ได้บอกแต่ถ้าเป็นสับเปลี่ยนี้ถ้าเห็นทุกวันมันอาจจะชินก็ได้แล้วมันก็อาจจะลืมน้ําเข้ามาที่ตัวเราทุกครั้งที่เราเห็นคนตายเราต้องน้อเข้ามาที่ตัวเราว่าเราก็จะต้องเป็นเราก็จะต้องตายเหมือนเขาแลาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้ว้องคิดแบบนี้แล้วมันอาจจะทําให้เราเริ่มมีมีความ มุมั่นนะที่จะปฏิบัติทําให้มากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องสมมุติว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายเราควรจะรีบเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้มารีบปฏิบัติธรรมทีเดียก่อนเพราะความตายมันอาจจะมาได้ทุกเวลานาทีคุณแจนครับ การนั่งสมาธิเราสามารถลืมตาเพ่งมองพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าได้ไหมคะหรือต้องหลับตาถึงจะทำสมาธิได้ครับคนจะหลับตาจะดีกว่าเพราะเวลาหลับตานี่ใจมันยังส่งออกไปข้างนอกอยู่ส่งไปที่รูปอยู่ทางตาอยู่เราต้องการปิดทวารทั้งห้าไม่ให้ใจออกออกไปข้างนอกเพราะการทำสมาธินิจฉาต้องเข้าข้างในดนั้คนควรจะปิดตาหูจมูกมินกา ซึ่งปลีนต า, านี่เป็นตัวสาคัญต้อต า, านี่เป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกไปได้มากที่สุดส่วนส่วนหูอ า, อายะตนระอย่างนี้มันจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เราไม่ต้องไปอูดหูคุณอุนเปรี้ยวครับได้ชวนเพื่อนนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบแต่เพื่อนบอกว่ากลัวควบคุมสติไม่ได้และอาจทำให้เสียสติไปในที่สุด ข้อเท็จจริงคืออย่างไรเจ้าคะก็ต้องฝึกสติก่อนนะต้องรู้ว่าการนั่งสมาธินี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมันถ้ากลัวเราก็หยุดแล้วก็ลืมตาท่านนั้นมันก็จบมันไม่มีอะไรเพราะสิ่งที่มันน่ากลัวเป็นสิ่งที่จิตของเราปลิกขึ้นมาเองเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันไม่ดีท่านั่นเองมันก็เป็นเปนความฝัน นันมันไม่มีอะไรสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจหลักความเป็นจริงของการปฏิบัติเพราะถ้าเกิดเรานั่งแล้วเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่มเมื่อน่ากลัวมันน่ากลัวเราก็เราก็รู้ว่ามันเป็นเพียงภาพหลอกเรานั้นนี้มันจะเป็นของจริงคุณมาริษาครับที่ศีลังกาเขาใช้ช้างแห่พระเขี้ยวแก้วเพื่อแสดงถึงความเคารพ บ, บูชาต่อพระพุทธเจ้า แต่ในความคิดของหนูแห่อย่างนั้นความทุกข์ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมไม่เหมือนที่ไทยต้องปฏิบัติธรรมถึงจะพ้นทุกข์ของต้องพึ่งตัวเองต้องพ้นทุกข์ด้วยตัวเองอยากขอความเห็นจากพระอาจารย์ครับ เ, ออเขาเขาไม่ได้แหว่ามําลดทพ้น์จากความทุกข์หรอกมันเป็นการแสดงถึงความเคารพ บ, บูชาต่อพระพุทธเจ้าท่านเองแทนที่เราจะแหย่เราก็เราก็กราบล้วก็ไปกราบพระธา ตามเจดีต่งตางๆอะนี้มันา็เป็นการแสดงความขอรบท่านนเองไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อหนุนพ้นจากความทุกคุณกล้องครับถ้าญาติป่วยและเจ็บหนักแต่เราแจ้งหมอว่าไม่ต้องปั๊มและสอดสายให้เขาไปโดยไม่เจ็บในร่างกายทางญาติจะบาดหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องขออนุ ญ, ญาตคนเตะ คนที่เจ้าของร่างกายก่อนมันเขาจะยินยอมให้ทําอย่างนี้หรือไม่เพราะชีวิตช่วงเขาเราไปไปก้าวไา่ไม่ได้ถ้าคนไข้บอกว่าถ้าเป็นอะไรแล้วอย่าทําอะไรอันนี้เราก็บอกหมอได้ตามคําสั่งของเขาถ้าเป็นไม่ได้ก็สั่งหมอเองเลก็ดีกว่าแต่ถ้าเขาไม่สั่งไว้ล่งหน้าก่อนแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปไปก้าวไา่ในการทำหน้าที่ของหมอเขา คุณจันทิราครับเมื่อเข้าสู่การภาวนาแล้วเราคัดกรองบุคคลที่ศีลไม่ครบและผู้ที่มีแนวทางศิลปตะปรามาต์ออกไปถือว่าเราขาดความเมตตาหรือเป็นกิเลส ข, ของเราที่เพ่งโทษผู้อื่นหรือไม่ครับไม่หรอกการรู้ว่าคนนั้นมีทำมีศีลไม่มีศีลไม่ได้เป็นการเพ่งโทษมันเป็นการปรากฏขึ้นมาของเขาเองเขาโกหกบ่อยๆนี่เราไปเพ่งโทษ ว, ว่าดูเขาเขาโกหกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม เรารู้ว่าเขาโกหกเพราะนี่เขาเป็นนิสัยของเขาที่เขาจะโกหกวันนี้เขาดื่มชูราเป็นประจำอย่างนี้เราไปเพ่งโทษกขาหรือเปล่าไม่ได้เพ่งหรอกเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่รักษาศีลเมื่อเป็นคนที่ไม่รักษาศีลเราก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนมกับเขาเพราะว่าเขาจะดึงเราไปในทางที่เขาเขาเป็นอยู่นั่นเองถ้าเขาชอบดื่มชูราเขาก็จะชวนเราไปดื่มชูราเราก็ไม่ควรที่จะไปคบกับคนแบบนี้ แล้วเลือกคบคนได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเรื่องของความเมตตาหรือไม่เมตตาแล้วก็ยังเมตตาคนที่ไม่มีศีลอยู่เช่นถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่มียาไม่มีเงินรักษาเราอาจจะออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับเขาก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันอย่าเอาเรื่องของความเมตตามาโยงกับเรื่องของการแยกแยกคนเรื่องของการคบคนไม่คบคนมันไม่เกี่ยวกัน คุณเพบครับความรู้สึกตัวคือกายานุปัสนาใช่ไหมครับเมื่อเกิดความคิดเราสามารถรู้เท่าทันและปล่อยวางความคิดคืออะไรครับก็คืออย่างที่เราคิดอยา่างน้นถ้าเราคิดแล้วเราปล่อยวางได้ก็แสดงว่าเรามีสติเราหยุดความคิดได้ปล่อยวางความคิดแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายปล่อยวางยังไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจถ้ามันคิดแล้วเรา หยุดความคิดได้แสดงว่าเรามีสติสามารถควบคุมความคิดเราได้แต่ปล่อยาความคิดนี้ปล่อยให้มันคิดต่อไปเลยได้ยังไงไม่ไม่แน่ใจในคําถามคุณสมพรครับทุกอย่างจะย้อนมาที่ตัวกิเลสตัวเองมองเห็นโลกโกรธหลงในตัวเองจะสามารถจบจอดกับทุกอย่างที่มาพัดสะกระทบจิตตัวเองได้ดีสุด ทุกอย่างจะจบด้วยดีเมื่อมองตัวเองเห็นกิเลสตัวเองคิดเห็นอย่างนี้พอจะถูกทำแล้วหรือยังครับก็ต้องหยุดกิเลสเห็นแล้วต้องหยุดมันด้วยป่อยใหนว่ามันโลภเราก็ต้องหยุดความโลภอย่าปล่อยให้มันโลภออกไปในทันการกระทํารู้ให้มันอยู่ในใจของเราเวลาโกรธเราก็ต้องหยุดมันให้ได้อย่าระบายออกมาจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแต่ถ้ารู้แล้ปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ถูก เรืว่าโกรธแล้วก็ไปให้มันไปด่าคนนั่นด่าคนนี้ก็ไม่เกิดไม่ถูกต้องหยุดความโกรธให้ได้หยุดกิเลสให้ได้เป้ากมายของการปฏิบัติเพื่อหยุดกิเลสหยุดความโลภความโกรธความลงคุณธัญการครับการแผ่เมตตาและอุทิศบุญบ่อยๆจะทําให้บุญของเราเพิ่มขึ้นไหมครับบุญจะเพิ่มขึ้นหรือเมื่อเราทําบุ ญ, บญ ถาเราไม่ทําบุญอุทิศบุญไม่ได้บุญทิศบุญเก่ามันไม่ทําให้บุญบุญใหม่เกิขึ้นจากการอุทิศบุญเราต้องทําบุญเราต้องการเพิ่มบุญเราต้องทําบุญเหมือนกันเราต้องการให้ยอดเงินในธนาคารเรามีสูงขึ้นเราต้องเอาเงินเข้าไปฝากอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มองแต่บัญชีแล้วแล้วกมันจะขึ้นมาทุกครั้งที่เรามองบัญชียอดบัญชีแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นเองมันจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเราเอาเงินไปไปฝากเพิ่มบุญเยอเหมือนกัน เราอยากจะให้บุญมีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องทําบุญให้มากขึ้นทําบ่อยๆส่วนการแผ่เมตตานี้ยมันมัไม่ใไม่ใช่เรื่องของการ อ, อุทิศบุญการแผ่เมตตานี่คือการเป็นมิตรกับผู้กับกับคนและสัตว์ทั้งหลายเวลาเราพบปะกับเขาเราต้องเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นเป็นศัตรูกับเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาคุณเฮียเริงครับ กราบพระอาจารย์ครับพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรส่งให้เรียนจนจบปริญญาแบบนี้ถือว่าเป็นบุญหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นหน้าที่ครับมันส่วนหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของพิดามานดาที่จ ะ, ละเลี้ยงบุตรชิดาอล้ก็ส่งให้เขาได้มีวิชาความรู้เพื่อที่เขาจะได้เลีย้ยงดูตัวเขาเองต่อไปส่วนคุณนี่มันอยู่ที่ลูกว่าเห็นว่าเป็นคุณหรือไม่ แต่พ่อแม่เดูลูกส่งเสียลูกนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากลูกพราะท่านทําด้วยความเมตตาท่านไม่อยากจะให้เรานี้ทุกข์ยากลำบากถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเราถ้าท่านปล่อยให้เราพอคลอนมาแล้วก็ไปทิ้งข้างถนนนี่มันก็แสดงว่าท่านไม่มีความเมตตากับเราไว้ให้เราอยู่ไปตามชะตากรรมตามตามชะตากรรมของเราอย่างนี้ท่านก็ไม่มีบุญคนกับเรา เพราะท่านไม่เลี้ยงดูเราท่านจะมีบุญคุณก็เพียงแต่ทําให้เราเกิดมาเราท่านก็ยังน้อยเลี้ยงเราในท้องอยู่เก้าเดือนด้วยกันให้กาเนิดเราอันนี้ก็ยังเป็นบุญคุณอยู่แต่เราจะถือว่าเป็นบุญคุณหรือมากก็อยู่ที่จิตสํำนึกของเราว่าเราจะมองอย่างไรถ้ามองด้วยเห็นด้วยผลแล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าไม่มีเขาเราจะมีเราได้อย่างไรอย่างนี้เขาก็ต้องมีบุญคุณกับเราใช่ไหมที่ทําเขาทําให้เรามาเกิดได้ ถ้าเราเป็นมา่ว่าที่เราเรามาเกิดเพราะว่าเขาไปเกิดความมี ก, รการมาราคะแล้วก็มีการร่วมเพศสัมพันธ์อันนี้เขาไม่มีเจตนาที่จะต้องการให้เรามาเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราที่อยากคิดได้ไม่มีใครว่าอย่างไรคุณสมพรครับใจกว้างกับใจดีมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรครับอย่างไหนดีกว่ากันครับ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปไปดูในเด็ค i ันนารีดีกว่านิยามว่าอย่างไงคุณลีโอครับเมื่อเราตายแล้วสติและปัญญาเราจะเต็มร้อยเหมือนเมื่อเป็นมนุษย์หรือไม่ครับสติปัญญาที่เรามีเท่าไหร่เราก็จะมีเท่านั้นเวลาตายไปเวลาเราไปเกิดใหม่เราก็จะมีระดับสติปัญญาเท่าที่เราขณะที่เราเป็นมนุษย์ในชาติกอ คุณนนทิรักครับเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เป็นพระอารหรันต์ที่มีฤทธิ์เช่นมีวิชาสามวิชา 8, แปดลพิญญาหกปฏิสัพน์เชาสี่ครับก็ต้องไปไ ป, ไปหาอาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านี้นะั้ะซึ่งในยุคนี้สมัยนี้หา ย, ยากจะมีแค่อย่างมากก็ให้บรรลุปเป็นพระอารหันต์โดยที่ไม่มีฤทธิ์กันเพราะการเรียนฤทธิ์นี่มันมันไม่ทราบว่าเขาเรียนกันอย่างไรที่ไหนใครเป็นคนสอน คุณอัสิทธิ์ครับการเห็นความทุกข์ของคุณพ่อที่มีอาการไออาการหลงลืมเป็นอาการของผู้สูงอายุแต่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเราดูเป็นเรื่องปกติเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมครับจะถือว่าเป็นลูกในละคุณไหมแต่เรายังพาพ่อไปหาหมอรักษาปกติครับไม่เราเรื่องของความความคิดของเราถ้าเราคิดตามหลักความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นเรื่องของการในละคุณแต่อย่างใดเพราะว่าเราก็ยังดูแลท่าน รับชายท่านอยู่อันนี้เราเป็นการทดแทนบุญคุณพาท่า น, นไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอจ่ายค่ายาค่ารักษายาและค่าหมอได้ยิ่งดีใหญ่อันนี้เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เป็นการเนรคุณจะเปนการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องของการเกิดก่เจ็บตายแล้วเป็นเรื่องธรรมดานี้ไม่ใช่ไม่อันนี้เป็นความความเห็นที่ถูกต้อง ไม่ไม่เป็นการเลยรแล้วคุณใจยังได้คุณสุภาพรครับลูกมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารจากหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกได้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตรวมได้สุขใจมากเจ้าขาทำให้ลูกทำงานน้อยลงหันมามุ่งเน้นให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมทางบริษัทจึงลดตำแหน่งลูกลงใจหนึ่งลูกก็รู้สึกโลง่งว่าลาบยศมีเสื่อมเสื่อมก็จะได้ตั้งสติไว้อีกใจก็รู้สึกกังวล กราบขออาจารย์เมตตาแนะนำด้วยครับไม่ทราบกังวลกับอะไรนะกังวลเพราะเราจะตกงานเลยถ้าเรามองถ้าเราเป็นผู้ที่ต้องการที่จะไปทำทำการไม่มีงานทำเนะี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลามเป็นประเสริฐเพราะเราจะได้มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ คุณนิ่งนครครับเคยฝึกสมาธิมา6ปีค่ะเมื่อก่อนจิตสงบนั่งได้20นาทีแต่ว่าช่วงนี้จิตไม่สงบค่ะนั่งสมาธิได้ไม่เกิน5นาทีพอมีแนวทางแก้ไหมครับก็ต้องเจรินสติให้มากขึ้นเหมือนเจรินสติให้บ่อยขึ้นคอยคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมากับเรื่องความคิดต่างๆให้จิตอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่การกระทาของร่างกายอยู่ตลาดเวลา หรือจะใช้ให้คําบริการพุโทโธพุโทโธแทนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องศีลข้อห้ามีสิ่งที่ทําให้มืนเมาที่ไม่ใช่สุราเราติดสิ่งใดที่ทําให้ขาดสติก็คือผิดสีลข้อห้าเหมือนกันใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมากลับมานั่งสมาธิขาดจะสลับกับเดินจงกรมครับใช่อะไรที่ทาให้เราขาดสตินั่นก็ ของบึงเมาก็อยู่ในข้อห้าได้เหมือนกันสมัยก่อนอาจจะมีแค่สุราสมัยนี้มียาบ้ามีกันชาเย่มียาฝิ่นมียาต่างๆเยอะแยะที่เสกเก็ไปแล้วทำให้สติไม่ก่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนอยู่ในศีลข้อห้าได้เหมือนกัน คุณนัดภากรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เราจะทํายังไงกับความคิดที่มารบกวนตอนเราหลับเพราะมันทําให้เราตื่นตอนกลางคืนและเราจะเห็นความคิดมันเกิดเกิดพอตื่นมาก็ต้องรู้สึกตัวกลับมาที่กายหรือลมหายใจจนกว่าความคิดนั้นจะสงบลงแต่บางทีก็ไม่สงบจนบอกมันว่าเธอจะคิดก็คิดไปฉันจะนอนและเลิกสนใจความคิดเหล่านั้นเราก็จะนอนได้แต่ไม่ทุกครั้ง ส่วนตอนกลางวันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะลูกจะจะเดินสติในการทํางานอยู่เสมอและสังเกตได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ในวันที่ไม่ทันไม่ไม่ทันการกระทบแล้วติดอารมณ์หนูเจริญสติแนวการเคลื่อนไหวค่ะขอคําแนะนําจากอาจารย์ครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นพือหยุดความคิดให้ได้มากขึ้นแล้วเวลาเรานอนหลับเราก็จะไม่คิดน้อยลงอยู่ที่การฝึกสตินะ สติเรายังยังน้อยไปยังต้องฝึกให้มากขึ้นฝึกให้บ่อยขึ้นฝึกจังวันเลยตั้งแต่เลิมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราฝึกสติก่อนเลยหยุดความคิดก่อนแล้วอย่าปล่อยให้คิดขณะที่เราไปเตรียมตัวออาหน้ํานหน้าแปลงไฟนก็อย่าปล่อยให้คิดให้อยู่กับงาที่เรากำลังทําอยู่อย่างนี้นะเราจะมีสติมากขึ้นแล้วต่อไปเวลานอนหลับมันก็จะมันก็จะคิดน้อยลง คุณแคทครับการที่เราช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่เป็นญาติเราเป็นน้องของแม่ซึ่งแม่เสียชีวิตไปแล้วถือว่าเป็นบุญไหมคะเป็นบุญประเภทไหนครับเป็นบุญคือเป็นทานไงเป็นการทับทานเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็ได้บุญเท่ากันเหมือนกันคุณนัทธาครับ การฝึกทำสมาธิภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตว่างแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากการภาวนามาช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรครับพอใจเราว่างใจเราจะมีเหตุมีผล้วไม่มีอารมณ์ไม่มีความหลงมาคอยทำให้เราคิดแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหานี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นผลที่เกิดจากเหตุเมื่อเราเป็นถ้าเราคิดในือด้วยเหตุวยผลเราก็จะพบว่าปัญหาที่เกิดึ้นี้เกิดจากเหตุอะไร เมื่อเรารู้ว่าเหตุนี้เป็นปัญหาเป็นทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ไปแก้ที่เหตุไประ ง, งับที่เหตุแต่ถ้าเราคิดแบบอารมณ์เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลงั้นเราต้องทําใจให้สงบให้เย็นให้นิ่งก่อนแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะหายไปแล้วมันก็ทําให้เราสามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ อาจารย์มีคนเที่ยวไปเรื่อยคอมเมนต์บอกว่าเห็นพระอาจารย์ครั้งแรกในช่วงที่หลวงตามาเยี่ยมพระอาจารย์เห็นครั้งแรกดูพระอาจารย์เคร่งและสํารวมมากไม่นึกว่าพระอาจารย์จะเทศต่อคําถามธรรมะด้วยปัญญาเฉียบขาดและแหลมคมขนาดนี้ผมโชคดีมากที่ได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ครับปีไหนนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์เยี่ยมครั้งแรกเนี่ยครับเขาเห็นครั้งแรกตอนที่พระอาจารย์ไม่ได้ม หลวงตาท่านก็มาเรื่อยๆเราตั้งแต่มาอยู่วัดยานปีสองเจ็ดนี่ท่านก็มาอยู่เรื่อยๆมาหลายครั้งด้วยกันแต่ไม่ไม่ไม่เป็นข่าวเพราะว่าท่านมาแบบเงี้ยวๆช่วงระยะหลังท่านมาที่ท่านจะพูดก่อนที่ท่านจะมาเยี่ยมแล้วคนก็จะรู้กันว่าอ๋อท่านจะมาวัดยานวันนี้วันนี้แต่เมื่อก่อนนี่ท่านยังไม่ได้ตอนที่ท่านยังไม่ได้ไปที่สวนแสงธรรมนี่ท่านก็มาแล้วท่าน ค่่ออยยมาูรืคุณสมพรครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นไหนอะไรเป็นตัวบอกระดับการปฏิบัติธรรมครับเรื่องการปฏิบัติของเราเนะี่ยเรารักษาสี่ห้าได้หรือยังรักษาได้อย่างตอนนี้อย่างสม่าเสมอได้หรือเปล่าถ้าได้ก็แสดงว่าเราเราได้เราอยู่ในระดับสี่ห้านะถ้าต่อไปแล้วขยับไปที่ศี่แป นะสมาธิเรานั่งสมาธิจิตเราสงบได้หรือยังเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เรานั่งได้หรือเปล่าอันนี้มันก็จะบอกบอกคนของการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนคุณจันทนนาครับพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบานันสกิทาคามีพระอนาคามีที่ยกระดับจิตเข้าถึงอริยบุคคลแล้วจะคงอยู่ได้ตลอดไปไหมครับ ใช่ถ้าได้ขั้นไหนเราก็จะไม่ศูนย์จะไม่เลื่อนลงต่ำจะมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นตามลาดับตามการปฏิบัติจากโซดาบาลถ้าปฏิบัติต่อก็จะได้เป็นพระสกิรดาคาร์แลพอได้เป็นพระสกิรดาคารแล้วจะให้กลับลงมาเป็นพระโซดาบาลอีกจะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพราหมณ คุณสิริออนครับคนในครอบครัวมีทุกข์และไม่นอไม่มองเหตุ ข, ของทุกข์คือไม่ยอมรับความจริงเหมือนไม่มีสติเพราเราแนะนําให้เขาสวดมนต์เรียกสติเขาบอกว่ายิ่งสวดยิ่งเครียดไม่สงบเป็นเพราะอะไรคะแบบนี้เมื่อไหร่จะมีปัญญาคะขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็เพราะว่าเขาไม่มีสติพอที่จะสวดนั่นเองมันไม่สามารถที่จะไปสวดเพื่อหยุดความคิดได้มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมา อย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ชอบสวดเขาชอบคิดเพราะเราไปสวดมันก็ทํทำให้เกิดการตึงเครียดขึ้นมาได้เพราะมันไปขัดัดใจขัดกิเลสของเราคาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณปฏิพัทธ์ครับการพยายามมองเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตในทางกุศลขัดกับคำสอนที่ให้รู้ความเป็นตามความเป็นจริงไหมครับ ก็เราต้องมองทุ ก, ทกสิ่งทุกอย่างเป็นตามความเป็นจริงซึ่งในโลกนี้มันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นกุศลแนละอกุศลมันไม่ใช่มีแต่กุศลเพียงอย่างเดียวเวลามองอะไรเราก็มองตามความเป็นจริงเวลาคนทำบาปล้วก็ว่านี่เป็นบาปเวลาคนทำบุญเราก็ว่านี่เป็นบุญแล้วก็มองไปตามความเป็นจริงไม่ขัดกันนะแต่ถ้าเราถูกสอนให้มองแต่บุญอย่างเดียวไม่ให้มองบาปมันก็มันก็ขัดละของความเป็นจริง อาจารย์ข อ, อแถบิขคําถามนะครับน่าสนใจนครับมีคนถามบอกว่าถ้าเราทําทานและรักษาศีลห้าบริบูรณ์ตลอดชีวิตสามารถปิดอบายได้ไหมครับได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตเราก็จะปิดอบายได้อาจารย์ครับวันนี้มีอ่านหนึงนะครับอาจารย์วันนี้มีคนฟังธรรมใน f เฟซบุ๊ก เจ็อยิบสองคนในยูทูบห้าร้อยเก้าสิบห้าคนในครับเฮาส์สิบห้าคนครับมีเพื่อนเพื่อฟังทำอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสาม้อยสาสิบสาคนครับอาจารครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีจิตฝ่ายทำหวังว่าคงจะได้นํำทำที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการแสดงสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธิสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการ์ข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพรอาจารย์ครับ